อาขวานาเอาวานาน่ันเสียไม่เป็นไง่ายนใซื้อเฮ็ใจสบายสบายมันจะเป็นก็ได้เป็นก็ได้เป็นก็เอาเป็นก็เอาท่านใจสบายท่านใจเฉยเฉยเมั่เสมอเปนวายกันเสิไยาได้หลายอยากเป็นหลายแต่ว่าเฮ็ดนี่ะ เหตุใจิได้เอาบ่ได้เอาเป็นก็เอาบ่เป็นก็เอาเงี้ใจญ่ใมันสิสบายใจมันสบายแรกก่อนข้าเดียวแล้วแหละจะงบจบใจแว่าให้มันสบายบ่เนไปสบายงอนไปเห็นผู้นั้นผู้นี่แค่แหะสบายงอนว่าเอาซ้อมมึงจะของยืนคิดใจสงบย่นี้ยงี้บ่ต้องไปคึดยานยานแคบ่ได้ ย่านจะบกเป็นเนยบ่ต้องไปย่านมันดอกมันผิดเป็นอยู่เพราะมัคือย่านหลายดิน้อนหลายโมบเปลี่ยนเลยเพราะมันเกิดย่านเพรามันมันบ่เคยสงบมันก็คือย่านบ่แมนอันพวบย่านบ่แมนบ่นอ้อหรือบ่แมนนอฮิตเซี่ยนเ่ยมันเป็นเฮี่แมนบ่นอ้อหรือบ่แมนอยู่กัเต้ามันเป็นย่านแดกกับตาแต่บาหูเมือขี้จับของอยู่เนี่ยคํามมาหูเมื่อไหนมัน ต้งบังยาดหอกหูเมื่อจะคล้องหูจักว่าคนเอามือมาบ่ายหลังเขา้าเขา้าหูเมื่อจริงๆนะคอยยึดเจ้าเจ้าหูเมื่อบ่อยจริงเนี่ยก็าป็ว่าหูมื อ, อหู้ตัวนั่นแหละทําคว่มหู่ตัวรูดซึกตัวยังนั้นแหละอันนั้นแหละแม่นการเป็นการพระวน า, ม, นนวา ม, นนมันเป็นสีตัวมันเป็นสีมันเป็นจำประชัญญานี่ มัดขั้นใดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองด้เลยขั้นที่หนึ่งเป็นสติขั้นที่สองเป็นการปฏิเสธเนี่ยพัดจากหันกันเรื่องขั้นที่สามสมาธิตอนนี้เราต้นงคิดเป็นขันเข้าไปหัวซ่านั่นหัวซ่านี่อยู่สนใจเรื่องอื่นไปยันจดเป็นนั่นยันได้เป็นนี่หนึ่งมันเบียกมันลายลายเรื่องลายเล่าอะไรกันมันโบมันเสียโอกาสมันกล่าวถิ่นในวันที่ยังเอาแนวไปจองนี่ยนะ ข้นที่คนไปเป็ตาเปนเยอบื้งคุณเบื้งที่ยืมคืนไปครั้ที่สามแต่เล่ยลังเล่ยแจ๊กสิเก้ า, งง า, ค, าค้นว e. ่าเก้ากคืนคณาเทศใจสบายสบายเราเต็นด้วยเป็นเข้าม า, ามนาเมื่อากอกยังเข้าที่ไปข้งรถนีนะนั่งไปข้างรถมีเข้าไปเดี๋ขับในรถนะนั่งไฟใจใจสบายอยู่นี่หันใจเขาหันใจออกอยู่นี่ะอย่าเข้าหันใจหันใจเขาหันใจออก ว้าเยี่มเนยรถมันต <woke> ิดไปจอดแค่แค่สามนันอันนั้นไปจอดว้างหันจอดว่านีจัดเออจักเบิ้งเยอะเบิ้งมันจะน้อยแหละนางเสื้อปอมใจไว้ห้อมใจไว้รักษาใจไว้หมายใจนี้จากโตอันนัะเป็นทวนาเนี่ยมันติเกิดค่วงสงบเกิดจนร่งเกิดค่วมมันใจควอมโฮมค้อมเหย็นเกิดจนมาจาจานละค้มเท้ายาน่ เท่าอยากย้อนเข้ามาซ่อมตัวเองเนี่ยเขาอยากนั何何何่นอยากนี่อยากสีบ่อยากปูอยากข้นบ่อันเข้ากำหนดใจเลยซ่อมยูนี่ซ่อมเดี๋ยวฟ้องมันคือยากพวกอยากปูคือยูนี่แหละว่าใจเดียว่าใจเฒ่าตัวเฒาอินดีคนทุกคนอยากทุกการเรียบรอดเรื่องนั่นทุกเรื่องนั่นทุกเรื่องนี่ใจให้ใจเฮืนมอยูนี่ยมันกำหนดใจนิ่งๆเว้ยและเฒาตัวเนี่มันเต่ามันยูวังนี่ยูไปด้ะ